ในหน้า486ย่อหน้าล่างบทว่าประศัพท์ถับประศัพโธแปลว่าเป็นผู้ประเสริฐโดยที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้มีคุณเนื้อคนอื่นโดยพระคุณที่ชาวโลกทั้งปวงสรรเสริญพระองค์แล้วคือพระองค์ไม่มีกิจคือการสรรเสริญด้วยคุณอื่นเนี่ยนะ เปรียบเหมือนว่าดอกจำปาดอกอุบลดอกปทุมหรือจันแดงย่อมสดใสมีกลิ่นหอมโดยสิริแห่งสีและกลิ่นของดอกเหล่านั้นฉันใดดอกเหล่านั้นเนี่ยไม่มีกิ่จะชมเชยโดยสีและกลิ่นที่จรมาสมมติว่าดอกจำปาทั้งหลายมันก็หอมโดยลำพังตัวมันเองมันไม่ต้องเอากลิ่นอย่างอื่นไปอบดอกจำปาดอกบัวก็หอมแบบดอกบัวโดยกลิ่นของดอกบัวไม่ต้องเอากลิ่นอย่างอื่นมาอบหรือดอกดอกอะไรดอก แก่นจันแดงเนี่ยนะแก่นจันทร์แดงทั้งหลายก็หอมโดยกลิ่นแก่นจันทร์ไม่ต้องไปพึ่งเอาเอากลิ่นอย่างอื่นมาไม่เหมือนร่างกายของเราใช่ไหมปกติร่างกายของเราต้องคอยอาศัยพึ่งกลิ่นอื่นๆจึงจะช่วยให้มีกลิ่นหอมไม่เหมือนกับพวกดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเหล่านั้นฉันใดย้อนกลับมาว่าพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นหรืออีกนัยยะหนึ่งเปรียบเหมือนแก้วมณีหรือดวงจันทร์ย่อมโอภาษโดยแสงสว่างของตน มันหามีกิดด้วยแสงสว่างอย่างอื่นไม่ฉันใดดวงจันทร์นี้ก็ใช้แสงของตัวเองใช่ไหมไม่ต้องไปใช้แสงของอย่างอื่นหรือดวงอาทิตย์นี่ต้องใช้แสงของอย่างอื่นไหมไม่ต้องเพราะดวงอาทิตย์ก็ส่งแสงสว่างโดยลำพังของตนฉันใดพระสมณะโคดมคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเป็นผู้อันบันดิตสรรเสริญชมเชยโดยคุณของตนที่โลกทั้งปวงสรรเสริญแล้วเนี่ยนะ ให้ถึงความประเสริฐสุดของโลกทั้งปวงคือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากบัณฑิตทั้งหลายขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นผู้ประเสริฐสูงสุดกว่าโลกทั้งปวงคือพระองค์เนี่ยนะไม่ใช่ว่าคนมาช่วยอะไรนะเศกพระองค์ขนะึ้นอ่ะไม่ไม่ใช่อย่างนั้น เออเราทั้งหลายมาช่วยเสกกันขึ้นนะท่านจะได้ขึ้นครองตําแหน่งเป็นพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกับระบบอะไรนะการเมืองสมัยใหม่ใช่ไหมที่จะเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกอบจ อ, อปท อ, อะไรก็ช่างเถอะพวกนี้จะต้องได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอาศัยคนอื่นอัปโลกให้คนอื่นมาช่วยเสกช่วยเป่าให้นะช่วยกากบาทให้ช่วยให้คะแนนนะ่ยนะแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระองค์เป็นผู้ประเสริฐโดยคุณของพระองค์ ไม่ใช่เพราะเจริญเพราะเรียกว่าเสกใส่เป่าใสา่หรือว่าทุกคนไปช่วยกันเสกพระพุทธเจ้าขึ้นไม่ใช่พระองค์ได้ดิบได้ดีเพราะคุณโดยลาพังของพระองค์เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ส่องสว่างโดยลาพังแสงของตนฉะนั้น คือซึ่งคือคุณของพระองค์ที่มีอยู่จริงเนี่ยนะไม่ต้องอิงคอยแหมคนนั้นก็ให้การรับรองคนนี้ก็ให้การรับรองเออใช่ท่านเก่งจริงท่านดีจริงอะไรเป็นต้นซึ่งพระองค์ไม่ต้องอาศัยคนอื่นมาคอยให้คะแนนและรับรองเพราะพระองค์ดีโดยพระคุณของพระองค์ว่าพระองค์เป็นผู้มีพระคุณอันประเสริฐอย่างแท้จริงอันนี้ในที่หนึ่งที่บอกว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐโดยคุณของตน โดยลำพังของตนซึ่งเหนือกว่าเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่แล้วอีกนัยหนึ่งพระองค์เป็นผู้ประเสริฐกว่าผู้ประเสริฐทั้งหลายเขาเรียกว่าอะไรนะประเสริฐกว่าคนประเสริฐที่ไหนที่เรียกว่ามีคนที่เยี่ยมเยี่ยมอะโปรง่งเยี่ยมกว่าคนที่เขาเยี่ยมเยี่ยมทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นว่าแคว้นโกศนแคว้นกาสีแปลว่าแผ่นดินแถวบริเวณสาวัตถีกับพารณาณสีเนี่ยนะ สมัยนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นหัวหน้าเป็นจอมเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ประเสริฐกว่าทั้งหมดเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นยอดของแคว้นโกศลและแคว้นกาสีพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าแคว้นอังคากับแคว้นมคธเนี่ยนะแคว้นมคธแคว้นอังคาพระเจ้าพิมพิสารดีกว่าเพื่อนเจ้าฤทธิ์ชวีกรุงภัยาลีเนี่ยนะประเสริฐกว่าชาวแค Gerilim, ว้นวัชชีทั้งหมด เจ้ามาละกรุงปาวาเจ้ามาละกรุงกุศินาราเพราะฉันหัวหัวกลุ่มหัวหน้าเหล่าใดเหล่าใดผู้ปกครองเมืองนั้นะนะก็เรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐในแผ่นดินนั้นๆฉันใดอันนี้กลุ่มกษัตริย์เนี่ยนะกษัตริย์ก็เป็นเลิศกว่าอาณาประชาราชทั้งหมดะนะหรือพวกพราหมณ์ทั้งหลายก็มีจังกีพราหมณ์เป็นต้นเป็นผู้ประเสริฐกว่าหมู่พราหมณ์อุบาสกก็าอาณาทบินทิกะเป็นผู้ประเสริฐกว่า อุบาสกทั่วไปอุบาสิกาก็นางวิสาขาเป็นต้นประเสริฐกว่าอุบาสิกาเนี่ยนะพวกกลุ่มหัวหน้าอุบาสกกลุ่มหัวหน้าอุบาสิกาหรือปริภาชกก็มีสกุลุทายิปริภาชกเพราะเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าของปริภาชกเป็นร้อยมหาสาวิกาเนี่ยนะอัครสาวก ฝ, าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยก็คือนางอุบลวรรณาเถรีเขมาเถรีเป็นต้นประเสริฐกว่า ภิกษุณีอีกหลายร้อยพระมหาสาวกก็มีภาษาธิบุตรพระโมกขลานะประเสริฐกว่าภิกษุเป็นหลายร้อยเทวดาก็มีสักสกะประเสริฐกว่าเราเทพสองชั้นฟ้าใช่ไหมจาตุมดาวเดืองเท้าสักกะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเนี่ยนะหรือเท้าสุยามเท้าสุยามเนี่ยก็ประเสริฐกว่าเราเทวดาชั้นอยามาเท้าสันดุสิตก็ประเสริฐกว่าเราเทวดาชั้นดุสิตเท้าสุนิมเท้าสุนิมก็เหมือนกันเนี่ยประเสริฐกว่าเทวดาชั้น พระณิมิตาสวัสดีมารก็เป็นสูงสูงจนถึงพรหมทั้งหลายก็ประเสริฐกว่าพรหมอีกหลายพันเฉพาะมหาพรหมเนี่ยนะคนที่เยี่ยมเยี่ยมที่เราพูดถึงมาทั้งหมดทุกคนเหล่านั้นชมเชยพระยกย่องสรรเสริญพระทศพลทุกองนะผู้ประเสริฐหัวหน้าเจ้าหมูเจ้าคณะทั้งหลายเนี่ยนะทุกคนเหล่านั้นชื่นชมพระพุทธเจ้าทั้งหมดเพราะพระองค์จึงเป็นผู้ประเสริฐกว่า ผู้ประเสริฐเพราะบุคคลที่เราพูดถึงมาแล้วทั้งหมดเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นที่ภายในเบื้องหน้าอย่างถ้าพระพุทธเจ้าเทียบกับท้าสั ก, กะเท้าสั ก, กะคือคนที่เทกระโถนให้พระพุทธเจ้านั่นเองเนี่ยนะคือคื อ, คอตำแหน่งบางท่านเรียกว่าเป็นผู้ที่ดูแลอุปถากพระพุทธเจ้าตอนไม่สบายเนี่ยนะแล้วก็ช่วยเหลือกิจอีกหลายอย่างแต่สรุปว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐกว่าเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ที่เป็นผู้ประเสริฐผู้ล้ำเลิศทั้งหลายบุคคลเหล่านั้นก็ล้วนชมเชยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกย่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเพราะฉะนั้นคําที่ชานุโสณีพรามยกย่องแม้ท่านปิโลติกะสันเสริญพระพุทธเจ้าสันเสริญจริงๆบอกไม่หรอก ผมเนี่ยเสียงสรรเสริญของผมมันก็เล็กน้อยที่แท้ใครใครเขาก็สรรเสริญพระพุทธเจ้ากันทั้งนั้นแหละเนี่ยนะก็ถ้าพูดถึงโดยธรรมดาทั่วไปบุคคลที่คนพูดถึงที่สุดในโลกก็ไม่มีใครเหนือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันอย่างในโลกเนี่ยถามว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยประชากรนับถือเยอะมากเนี่ยนะประชากรเกือบทั้งโลกเลยนับถือ พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นจํานวนมากนะไล่ต่างกันในประเทศจีนเนี่ยก็ทั้งประเทศเมื่อก่อน น, นะประเทศไทยอินโดนีเซียเป็นต้นเ น, นี่ยไล่ไปโน่นหรืออินเดียเนี่ยนะไปแถวโน่อนอ่ะตะวันออกกลางแถวยุโรปก็มีทั้งหลายประเทศคือคือเมื่อก่อน น, นะแต่ก็ตอนหลังก็เปลี่ยนไปพันสมัยที่คนรู้คุณของพระพุทธเจ้าผู้ที่ไม่นับถือพระพุทธเจ้า ไม่มีคนที่ไม่นับถือพระพุทธเจ้าก็เพราะไม่รู้พระคุณของพระองค์ส่วนผู้ที่รู้คุณของพระองค์ก็ล้วนแต่ยกย่องสรรเสริญอย่างสมัยใหม่ก็มีคนที่นับถือศาสนาอื่นแต่เขาก็ชื่นชมว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนดีคนฉลาดแล้วก็แก่งเนี่ยนะแตก่ก็ยอมรับยกย่องอนะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ใครๆก็สรรเสริญเป็นผู้ประเสริฐ ก, กว่าเหาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ชานุโสณีพราหมณ์ก็ถามต่อไปว่าท่านวัดฉายนะท่านเห็นประโยชน์อะไรเล่าจึงเป็นผู้เลื่อมใส ย, ยิ่งในพระสมนะโถดมถึงเพียงนี้โอ้ยนับถือพระพุทธเจ้าเหลือเกินเนี่ยนะคือทําไมอะ่ะเหตุผลเหตุผลว่าทําไมจึงนับถือพระพุทธเจ้ามากขนาดนี้ของพวกเราทั้งหลายนี่ตอบได้ไหมว่าทําไมเราจึงต้องนับถือพระพุทธเจ้าถึงเพียงนี้ทําไมเราจึงต้องศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าทําไมเราต้องปฏิบัติตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ลองคิดดูนะมาดูเปรียบเทียบกับปิโลติกะปริภาชกที่เขาเปรียบว่าทําไมเขาจึงนับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในข้อ3ามสสปิโลติกะปริภาชกตอบอธิบายเหตุผลที่เขานับถือพระพุทธเจ้าว่าท่านผู้จเจริญทําไมข้าพเจ้าจึงเป็นผู้เลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระสมณโคดมถึงอย่างนี้ท่านผู้จเจริญ เปรียบเหมือนคนต่อช้างผู้ฉลาดต่อช้างก็แปลว่าอาจารย์จับช้างอะนะอาจารย์จับช้างนี่เขามีหลายเกรดนะหลายระดับอาจารย์ระดับล่างๆอาจารย์ระดับกลางอาจารย์ระดับสูงถ้าต่อช้างได้หนึ่งเชือกเขาเรียกชื่อแบบนี้ถ้าต่อได้หลายเชือกเขามีชื่อของเขาอีนะเกี่ยว ก, กับเรื่องอาจารย์ต่อช้างเนี่ยฉันใดอาจารย์ผู้ต่อช้างผู้ฉลาดเข้าไปในป่าที่อยู่แห่งช้าง ไปเห็นรอยเท้าช้างรอยใหญ่แม้ว่าโดยส่วนยาวานะเท้าช้างนี่ยาวมากกว้างแล้วก็ส่วนขวางทีนี้ตัวช้างเองเนี่ยก็เสียดสีกับต้นไม้เนี่ยนะเสียบสีกับต้นไม้อะเพราะช้างนี่มันตัวใหญ่ใช่เวลาเดินผ่านไปตรงไหนมันก็ต้องเอาตัวเนี่ยไปเสียดสีกับต้นไม้เรียกว่าที่เสียดสีในป่าช้างเขาก็สันนิษฐานตกลงใจได้ว่า ช้างขนาดใหญ่หนอดูจากอะไรหนึ่งดูจากรอยช้างสองดูจากพี่ช้างเสียดสีก็รู้ได้เลยว่าช้างใหญ่แน่นอนฉันใดข้าพเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันแลเมื่อใดไ ด, ได้เห็นร่องรอยทั้งสี่ของพระสมณะโคดมแล้วเห็นรอยนะรอยของพระพุทธเจ้ารอยอันนี้หมายถึงรอยแห่งปัญญานะไม่ใช่รอยพุทธบาทแต่ว่าร่องรอยแห่งปัญญาของพระองค์สี่อย่างเมื่อนั้นข้าพเจ้าก็สันนิษฐานตกลงใจได้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหารตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตรัสดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอันนี้เหตุผลที่เขาเลื่อมใสในพระรัตนะตรายเหตุผลที่เขานับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเพราะเขาเห็นร่องรอยสี่ประการนะร่องรอยแห่งปัญญาเนี่ยนะร่องรอยสี่ประการเป็นไน ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นขัติยะคือกษัตริย์บัณฑิตบางพวกในโลกนี้เอากแบบกษัตริย์ที่ฉลาดมากเป็นผู้ละเอียดละอเป็นผู้ปรับปรับประวาดได้ก็แปลว่าเป็นนักพูดที่ข่มคนอื่นโดยโวหารเนี่ยนะปรับปรับปะวาดแปลว่าใครที่มีความเห็นไม่เหมือนกับความเห็นของตัวเปลี่ยนแปลงความคิดคนนั้นได้นะฉลาดขนาดนั้นอนะ ขาดฉลาดพอที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดแนวความคิดของคนอื่นได้ประหนึ่งนายขมังธนูยิ ง, ยง ข, นขนสายได้ขัตยะคือกษัตริย์บัณฑิตเหล่านั้นฉรอยเที่ยวทําลายทิฏฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาของตนขัตยักษบัณฑิตเหล่านั้นได้ฟังว่า นะได้มีข่าวมาว่าได้ข่าวว่าพระสมณะโคดมจักเสดเที่ยวไปสู่บ้านหรือสูนิคมชื่อนโนนขติยะคือกษัตริย์เหล่านั้นก็พากันคิดผูกปัญหาด้วยหมายใจว่าจะเข้าไปหาพระสมณะโคดมแล้วถามปัญหานี้นะครับอยากลองดีนะอยากลองปรับว่าท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูพวกกษัตริย์บัณฑิตเหล่านั้นก็พากันผูกปัญหาว่า พวกพระสมณะโคโดมเนี่ยถูกพวกเราถามอย่างนี้พระองค์จักต้องพยากรณ์อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นนะท้าเราถามอย่างนี้ท่านตอบอย่างนี้เราจะต้องแก้แก้ต่างแบบนี้นะถ้าหากว่าแม้พระสมณะโคโดมนั้นถูกพวกเราถามแล้วอย่างนี้จักพยากรณ์อย่างนี้ใช้ etics? เราจะยกวาทะแม้อย่างนี้แก่พระองค์คล้ายๆกับพราหมณคนหนึ่งไหพระสมณะโคโดมท่านสันเสริมการฆ่าอะไร นะคือไปถึงเนี่ยจะบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนขี้โกรธทั่วๆไปต้องฆ่าศัตรูของตัวเองไงปกติคนทั่วๆไปมีแนวความคิดว่าใครสมควรตายใครควรถูกฆ่าคนที่ฉันไม่ชอบอะสมควรจะถูกฆ่านะก็ไปถามพระพุทธเจ้าให้ตอบแบบนี้นะแล้วก็ถ้าพระพุทธเจ้าตอบว่าใครสมควรฆ่าก็หาเรื่องด่าพระพุทธเจ้าได้อย่างถนัดใจเนี่ยนะว่าเป็นนักบวชยังไงต้องใครสมควรตายใครสมควรถูกฆ่า ก็หาเรื่องด่าพระพุทธเจ้าว่าไปถึงด่าเลยมันค้าผิดกฎหมายอ่ะนะก็ต้องให้มันมีช่องทางแล้วจะด่าได้อย่างนั้นน่ะมั้งนั้นเดี๋ยวพระราชาจับไปลงโทษฉันใดพระพุทธเจ้าก็บอกฆ่าความโกรธซีเนี่ยนะงงเลยนะไอ้ที่คือมันคนละเรื่องคนละราวกันเลยเนี่ยนะพราหมณทั้งหลายพวกกษัตริย์บางพวกคล้ายๆเป็นแบบนี้แหละมันพวกกษัตริย์เหล่านี้เนี่ยเมื่อเข้าไปหาพระสัมมาสัมุทธเจถามปัญหาคิดว่าจักยกวาทะเนี่ยนะ จะยกวาทะถามอย่างนี้เราต้องตอบอย่างนี้เมื่อถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้เราจะแก้ยอย่างนี้แล้วก็คมอย่างนี้อย่างนี้ในที่สุดขัติยะบัณฑิตเหล่านั้นได้ฟังว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าพระสมณโคโดมเสด็จเที่ยวไปถึงบ้านนิคมหรือนิคมชื่อนน้นแล้วขัตยะบัณฑิตกษัตริย์เหล่านั้นก็ข่าพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับเนี่ยนะ พระสมณะโคดมก็ส่งให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้รื่นเริงด้วยรรมมีกระถาพอเขาเหล่านั้นจริงๆแล้วใจจริงของเขาต้องการจะไปผูกปัญหาไปถามปัญหาถามก่อกวนถามหาเรื่องก็สุดแท้แต่แต่แต่ว่าวิธีที่ตัวเองคิดขึ้นมาได้พอไปถึงปับ๊บพระพุทธเจ้าก็สอนให้เขาเห็นแจ้งเห็นแจ้งในอะไรเห็นแจ้งปกติพระพุทธเจ้าสอนธรรมะจะไม่สอนอริยสัจพอปับ๊บเขาก็เข้าใจอย่างแจมแจ้ง ถึงเหตุผลถึงข้อปฏิบัติต่างๆแล้วก็สมาทานถือเอาข้อปฏิบัติคือเสกขา